นติกวาทะความเห็นว่าไม่มีลำดับนั้นเจ้าปายาสิครั้นประทับณที่สมควรแล้วจึงตรัสกับท่านพระกุมารกัสปะดังนี้ว่าท่านกัสปะโยมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทําดีและทําชั่วไม่มีท่านพระกุมารกัสปะถวายพระพรว่า บรพิตอาตมาภาพไม่เคยเห็นหรือได้ยินบุคคลผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ทำไมพระองค์จึงตรัสอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มี มาด้วยดวงจันทร์และดวงอาทิตย์บอพิทถ้าอย่างนั้นอาตมาภาพขอถวายพระพรถามพระองค์ในเรื่องนี้โปรดตัดตอบตามที่พอพระไทยพระองค์เข้าพระไทยเรื่องนั้นว่าอย่างไรคือดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มีในโลกนี้หรือโลกอื่นเป็นเทพหรือเป็นมนุษย์ท่านกษัตริยดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มีในโลกอื่นมิใช่มีในโลกนี้เป็นเทพมิใช่เป็นมนุษย์บอพิท ด้วยเหตุแห่งพระดารัสของพระองค์นี้แลจึงแสดงอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกะสัตมีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีท่านกัสปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมก็ยังคงเชื่อในเรื่องนี้อยู่ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทาชั่วไม่มีบพิ เหตุที่ทําให้พระองค์ทรงเข้าพระทัยอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทําดีและทําชั่วไม่มีมีอยู่หรือท่านกัสปะเหตุที่ทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทําดีและทําชั่วไม่มีมีอยู่บพิษอุปมาด้วยอะไรท่านกัสปะ มิดอมาดญาสาโลหิตของโยมในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ประพฤติผิดในการมพูดเท็จผู้สอเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิเห็นผิดต่อมาพวกเขาป่วยได้รับทุกขเวทนาเป็นไข้หนักเมื่อโยมรู้ว่าเวลานี้พวกเขายังไม่หายป่วย จึงเข้าไปเยี่ยมแล้วสั่งอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ประพฤติผิดนิกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเพ่งเลงอยากได้ของของเขามีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิ หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตหรือนรกพวกท่านเป็นผู้ฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อเพ่งเลงอยากได้ของของเขามีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิถ้าหากคำของสมณพราหมณ์พวกนั้นเป็นจริงพวกท่านหลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตหรือนรกถ้าพวกท่านหลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตหรือนรกจริงก็ขอให้กลับมาบอกเราบ้างว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกาสัตมีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีพวกท่านเท่านั้นพอเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของเราสิ่งที่พวกท่านเห็นก็เช่นเดียวกับสิ่งที่เราเห็นเอง คนเหล่านั้นรับคำของโยมแล้วแต่ไม่กลับมาบอกไม่ส่งข่าวมาบอกท่านกษัะนี้แหละเป็นเหตุทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีพลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มี ปรมาด้วยโจรบะพิษถ้าอย่างนั้นอาตมาภาพขอถวายพระพรถามพระองค์ในเรื่องนี้โปรดตัดตอบตามที่พอพระไทยพระองค์เข้าพระไทยเรื่องนั้นว่าอย่างไรพวกราชบุรุษของพระองค์ในโลกนี้จับโจรผู้ก่อกรรมชั่วมาแสดงแก่พระองค์ว่าฝาพระบาทนี้เป็นโจรผู้ก่อกรรมชั่วต่อพระองค์พระองค์โปรดลงพระอาชญาแก่โจรนี้ตามพระประสงค์เถิด ถ้าพระองค์จะพึงรับสั่งอย่างนี้ว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงใช้เชือกเหนียวมัดบุรุษนี้เอาแขนไพร่หลังอย่างแน่นหนาแล้วโกลศีสะนำตระเวนจากถนนหนึ่งไปสู่ถนนหนึ่งจากสี่แยกหนึ่งไปสู่สี่แยกหนึ่งพร้อมกับแกว่งบันเดาะเสียงดังน่ากลัวนำออกทางประตูด้านทิศใต้ตัดศีสะที่ตะแลงแกงทางทิศใต้แห่งเมืองราชบุรุษทูลรับสนองพระดารัสแล้ว ใช้เชือกเหนียวมัดบรุษนั้นเอาแขนไพร่หลังอย่างแน่นหนาแล้วโกลศีสะนำตระเวนจากถนนหนึ่งไปสู่ถนนหนึ่งจากสี่แยกหนึ่งไปสู่สี่แยกหนึ่งพร้อมกับแหวงบันเดาะเสียงดังน่ากลัวนำออกไปทางประตูด้านทิศใต้แล้วให้นั่งที่ตะแลงแก่งทางทิศใต้แห่งเมืองโจรจะได้รับการผ่อนผันจากพรฆาตามคำขอที่ว่า ขอให้ท่านเพชคฆาตโปรดรอจนกว่าข้าพเจ้าจะได้ไปแจ้งแก่มิตรอมาตหรือญาสาโลหิตในบ้านโน้นหรือนิคมโน้นแล้วจะกลับมากระนั้นหรือหรือว่าเพชฌฆาตจะพึงตัดศรีรษะโจรผู้กําลังอ้อนวอนอยู่เล่าท่านกษัตริยโจรไม่ควรได้รับการผ่อนผันจากเพชฌฆาตตามคําขอที่ว่าขอให้ท่านเพชฌฆาตโปรดรอจนกว่าข้าพเจ้าจะได้ไปแจ้งแก่มิตรอมาต หรือญาสาโลหิตในบ้านโน้นหรือนิคมโน้นแล้วจะกลับมาที่แท้เพชฆคฆาตพึงตัดศีสะโจนผู้กำลังอ้อนวอนอยู่นั่นแหละบอร์พิษโจนนั้นเป็นมนุษย์ยังไม่ได้รับการผ่อนผันจากเพชรฆาตที่เป็นมนุษย์ตามคำขอที่ว่าขอให้ท่านเพชฆคฆาตโปรดรอจนกว่าข้าพเจ้าจะได้ไปแจ้งแก่มิดอมาดหรือญาสาโลหิตในบ้านโน้นหรือนิคมโน้นแล้วจะกลับมา มิดอมาดญาสาโลหิตของพระองค์เป็นผู้ฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ประพฤติผิดในกรมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อเพ่งเลงอยากได้ของของเขามีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิหลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตหรือนรกจะได้รับผลนผันจากนายนิรยาบาลตามคาขอที่ว่า ขอให้นายนิริยบาลโปรดรอจนกว่าข้าพเจ้าจะได้ไปแจ้งแก่เจ้าปยาสิว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกะสัตว์มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีหรือบพิทด้วยเหตุแห่งพระดํารัสของพระองค์นี้แลจึงแสดงอย่างนี้วา่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกะสัตว์มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมี ท่านกันสปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมก็ยังคงเชื่อในเรื่องนี้อยู่ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื <tr itt 6> ่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีบพิษเหตุที่ทำให้พระองค์ทรงเข้าพระทัยอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทาดีและทาชั่วไม่มีมีอยู่หรือท่านกัสปะ เหตุที่ทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปปาติกาสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีมีอยู่บพิษอุปมาด้วยอะไรท่านกษัตริมิตรอมาดญาสาโลหิตของโยมในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกรม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 ถ้าหากคำของสมณพราหม์พวกนั้นเป็นจริงพวกท่านหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์ถ้าพวกท่านหลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์จริงก็ขอให้กลับมาบอกเราบ้างว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกะสัตมีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีพวกท่านเท่านั้นพอเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของเรา สิ่งที่พวกท่านเห็นก็เช่นเดียวกับสิ่งที่เราเห็นเองคนเหล่านั้นรับคําของโยมแล้วแต่ไม่กลับมาบอกไม่ทรงข่าวมาบอกท่านกัสปะนี้แลเป็นเหตุที่ทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มี อุปมาด้วยบุรุษในหลุมอุจจระบพิษถ้าเช่นนั้นอาตมาภาพจะยกอุปมาถวายพระองค์ให้สดับคนฉลาดบางพวกในโลกนี้เข้าใจความหมายแห่งถ้อยคําได้ด้วยอุปมาโวหารเปรียบเหมือนบุรุษจมลงในหลุมอุจจระมิดศีษะเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าพระองค์จะพึงรับสั่งราชบุรุษว่าพวกท่านจงช่วยันยกบุรุษนั้นขึ้นจากหลุมอุจจระพวกราชบุรุษ ทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพึงช่วยขันยกบุรุษนั้นขึ้นมาจากหลุมอุจระถ้าพระองค์จะพึงรับสั่งอีกว่าพวกท่านจงเอาซี่ไม้ไผ่ขูดอุจระออกจากร่างกายของบุรุษนั้นให้หมดพวกราชบุรุษทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพึงเอาซี่ไม้ไผ่ขูดอุจระออกจากร่างกายของบุรุษนั้นให้หมดถ้าพระองค์จะพึงรับสั่งอีกว่าพวกท่าน จงเอาดินสีเหลืองขัดสีร่างกายของบุรุษนั้นสักสามครั้งพวกราชบุรุษทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเอาดินสีเหลืองขัดสีร่างกายของบุรุษนั้นสามครั้งถ้าพระองค์จะพึงรับสั่งอีกว่าพวกท่านจงเอาน้ำมันฉโลมบุรุษนั้นแล้วรูปไลด้วยจุลอย่างดีให้ผุดพ่องสักสามครั้งพวกราชบุรุษพึงเอาน้ามันฉโลมบุรุษนั้น แล้วลูบไล้ด้วยจุนอย่างดีให้ผุดผ่องสามครั้งถ้าพระองค์จะพึงรับสั่งอีกว่าพวกท่านจงตัดผมและโกหนวดบรุษนั้นพวกราชบรุษพึงตัดผมและโกหนวดของบรุษนั้นถ้าพระองค์จะพึงรับสั่งอีกว่าพวกท่านจงนำพวงดอกไม้เครื่องลูบไล้และผ้าราคาแพงไปให้บรุษนั้น พวกราชบุรุษพึงนำพวงดอกไม้เครื่องรูปไล้และผ้าราคาแพงไปให้บุรุษนั้นถ้าพระองค์จะพึงรับสั่งอีกว่าพวกท่านจงเชิญบุรุษนั้นขึ้นประสาทบำรุงบำเรด้วยกามคุณหพวกราชบุรุษพึงเชิญบุรุษนั้นขึ้นประสาทบำรุงบำเรด้วยกามคุณหบพิษพระองค์เข้าประทัยเรื่องนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นอาบน้ำรูปไล้ดีแล้ว ตัดผมและโกนหนวดอย่างดีสวมพวงดอกไม้และเครื่องประดับแล้วนุ่งผ้าขาวอยู่ประสาชันดีเ อ, อิบอิ่มพร่างพร้อมได้รับการบำเรอด้วยกามาคุณห้ายังต้องการจะดำลงในหลุมอุจจระนั้นอีกหรือไม่เป็นเช่นนั้นท่านกษัสร ะ, สะเพราะเหตุไรจึงไม่เป็นเช่นนั้นท่านกษัสร ะ, สะเพราะหลุมอุจจระไม่สะอาดคือพึงเป็นสิ่งทั้งไม่สะอาดทั้งนับว่าไม่สะอาด ทั้งมีกลิ่นเหม็นทั้งนับว่ามีกลิ่นเหม็นทั้งหน้ารังเกียจทั้งนับว่าหน้ารังเกียจทั้งหน้าเกลียดทั้งนับว่าหน้าเกลียดบะพิษมนุษย์ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละคือสำหรับพวกเทพพวกมนุษย์เป็นผู้ไม่สะอาดทั้งนับว่าไม่สะอาดเป็นผู้มีกลิ่นเหม็นทั้งนับว่ามีกลิ่นเหม็นเป็นผู้หน้ารังเกียจทั้งนับว่าหน้ารังเกียจเป็นผู้น่าเกลียดทั้งนับว่าหน้าเกลียด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 มีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิพวกเขาหลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แล้วจะกลับมาทูลพระองค์ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกะสัตว์มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีหรือเบอร์พิษด้วยเหตุแห่งพระดำรัสของพระองค์แม้นี้แหลจึงแสดงอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมี โอปปาติกาสัตว์มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีท่านข้าพเะ้าพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมก็ยังคงเชื่อในเรื่องนี้อยู่ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกาสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีบพิษเหตุที่ทำให้พระองค์ทรงเข้าพระทัยอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มี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 มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุคคลผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์เว้นขาจากการถือสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เว้นขาจากการประพฤติผิดในกลามเว้นขาจากการพูดเท็จเว้นขาจากการเสกของมืนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทหลังจากตายไปแล้วจะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นดาวดึงท่านทั้งหลาย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 ถ้าพวกท่านหลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นดาวดึงจริง <c oughs> ก็ขอให้กลับมาบอกเราบ้างว่า <c oughs> แม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกาสัตมีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีพวกท่านเท่านั้นพอเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของเราสิ่งที่พวกท่านเห็นก็เช่นเดียวกับสิ่งที่เราเห็นเองคนเหล่านั้นรับคาของโยมแล้ว แต่ไม่กลับมาบอกไม่ส่งข่าวมาบอกท่านกรสปะนี้แหลเป็นเหตุที่ทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปะปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มี ขึประมาด้วยเทพชั้นดาวดึงบะพิษถ้าอย่างนั้นอนตาตมาภาพขอถวายพระพรถามพระองค์ในเรื่องนี้โปรดตัดตอบตามที่พอพระไทยร้อยปีของมนุษย์เท่ากับคืนและวันหนึ่งของพวกเทพชั้นดาวดึงสามสราตรีโดยราตรีนั้นเป็นหนึ่งเดือนสิสองเดือนโดยเดือนนั้นเป็นหนึ่งปีพันปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของพวกเทพชั้นดาวดึง มิดอมาดญาสาโลกิตของพระองค์ผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์เว้นข่าจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เว้นขาจากการประพฤติผิดในครามเว้นขาจากการพูดเท็จเว้นขาจากการเสพของมึนเมาเคอสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นเดวเดืองหาพวกเขาคิดอย่างนี้ว่ารอเวลาให้พวกเราเอิบอิ่มพร่งพร้อม ได้รับการบำเรอด้วยกรรมคุณห้าที่เป็นทิพย์สักสองถึงสวันก่อนจึงค่อยไปกราบทูลเจ้าปยาสิว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกาสัตมีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีพวกเขาเพิ่งกลับมากราบทูลพระองค์ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกาสัตมีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีหรือบพิษ ไม่เป็นเช่นนั้นท่านกษรปะที่จริงพวกเราคงตายไปนานแล้วแต่ใครเล่าบอกท่านกสรปะว่าพวกเทพชั้นเดวดึงมีอยู่หรือว่าพวกเทพชั้นเดวดึงมีอายุยืนเท่านี้พวกเราไม่เชื่อท่านกสรปะว่าพวกเทพชั้นเดวดึงมีอยู่หรือว่าพวกเทพชั้นเดวดึงมีอายุยืนเท่านี้ ออกมาด้วยคนตาบอดแต่กําเนิดเบอร์พิกเปรียบเหมือนคนตาบอดแต่กําเนิดไม่อาจเห็นรูปสีดําและรูปสีขาวไม่อาจเห็นรูปสีเขียวไม่อาจเห็นรูปสีเหลืองไม่อาจเห็นรูปสีแดงไม่อาจเห็นรูปสีแดงฝางไม่อาจเห็นรูปที่เรียบและรูปที่ขรุขระไม่อาจเห็นรูปดวงดาวไม่อาจเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เขาจะพึงพูดอย่างนี้ว่า รูปสีดําและรูปสีขาวไม่มีคนที่เห็นรูปสีดําและรูปสีขาวก็ไม่มีรูปสีเขียวไม่มีคนที่เห็นรูปสีเขียวก็ไม่มีรูปสีเหลืองไม่มีคนที่เห็นรูปสีเหลืองก็ไม่มีรูปสีแดงไม่มีคนที่เห็นรูปสีแดงก็ไม่มีรูปสีแดงฝางไม่มีคนที่เห็นรูปสีแดงฝางก็ไม่มีรูปที่เรียบและรูปที่ขรุขระไม่มี คนที่เห็นรูปที่เรียบและรูปที่ขรุขระก็ไม่มีรูปดวงดาวไม่มีคนที่เห็นรูปดวงดาวก็ไม่มีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่มีคนที่เห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ไม่มีบภพิทคนนั้นเมื่อจะพูดว่าเราไม่รู้สิ่งนั้นไม่เห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นจึงไม่มีชื่อว่าผู้ถูกหรือไม่ไม่ถูกท่านกรปะเพราะ รูปสีดําและรูปสีขาวมีคนท like <the> ี่เห็นรูปสีดําและรูปสีขาวก็มีรูปสีเขียวมีคนที่เห็นรูปสีเขียวก็มีรูปสีเหลืองมีคนที่เห็นรูปสีเหลืองก็มีรูปสีแดงมีคนที่เห็นรูปสีแดงก็มีรูปสีแดงฝางมีคนที่เห็นรูปสีแดงฝางก็มีรูปที่เรียบและรูปที่ขรุขระมีคนที่เห็นรูปที่เรียบและรูปที่ขรุขระก็มี รูปดวงดาวมีคนที่เห็นรูปดวงดาวก็มีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มีคนที่เห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็มีท่านกัสปะคนนั้นเมื่อจะพูดว่าเราไม่รู้สิ่งนั้นไม่เห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นจึงไม่มีชื่อว่าพูดไม่ถูกเบอพิษพระองค์ก็เช่นเดียวกับคนที่ตาบอดแต่กําเนิดนั่นแหละที่ตรัสกับอัตมภาพอย่างนี้ว่า ก็ใครเล่าบอกท่านกสปะว่าพวกเทพชั้นดาวดึงมีหรือว่าพวกเทพชั้นดาวดึงมีอายุยืนเท่านี้พวกเราไม่เชื่อท่านกสปะว่าพวกเทพชั้นดาวดึงมีหรือว่าพวกเทพชั้นดาวดึงมีอายุยืนเท่านี้บภร์พิทคนจะเห็นโลกอื่นได้ด้วยตาเนื้อดังที่พระองค์ทรงเข้าพระทัยไม่ได้สมณพราหมณ์ผู้อยู่ในเสนาสนะอันสงัดในปายาย่าใหญ่ ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ทำตาทิพให้บริสุทธิ์ย่อมเห็นโลกนี้โลกอื่นตลอดถึงเหล่าโอปปาติกะสัตว์ได้ด้วยตาทิพันบริสุทธิ์เกินกว่าตาของมนุษย์คนไม่อาจจะเห็นโลกอื่นได้ด้วยตาเนื้อดังที่พระองค์ทรงเข้าพระทยัยเบอร์พิทด้วยเหตุแห่งพระดารัสของพระองค์แม้นี้แหลจึงแสดงอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกสัตว์มี ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีท่านกัสปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมก็ยังคงเชื่อในเรื่องนี้อยู่ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีบอพิธเหตุที่ทำให้พระองค์ทรงเข้าพระทัยอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกสัตว์ไม่มี ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีมีอยู่หรือท่านกษัะเหตุที่ทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปปาธิกาสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีมีอยู่บพิษอุปมาด้วยอะไรท่านกษัะโยมเห็นสมณพราหมณ์ในโลกนี้ผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม อยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายรักความสุขเกลียดความทุกข์จึงคิดอย่างนี้ว่าถ้าท่านสมณพราหมณ์ผู้มีศีลมีกรยานธรรมเหล่านี้พึงรู้อย่างนี้ว่ามเมื่อพวกเราตายจากโลกนี้แล้วคุณความดีจะปรากฏท่านเหล่านี้คงดื่มยาพิษใช้ศาสตราฆ่าตัวตายผูกคอตายหรือกระโดดเหวตายแต่เพราะท่านเหล่านั้นไม่ทราบอย่างนี้ว่า เมื่อพวกเราตายจากโลกนี้แล้วคุณความดีจะปรากฏฉะนั้นท่านเหล่านั้นจึงอยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายรักความสุขเกลียดความทุกข์ท่านกระสปะนี้แหลเป็นเหตุที่ทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มี